งั้นถ้าเราพิจารณาตรงประเด็นอย่างนี้ได้จิตคุณจะลดราคะลงไปได้ขนาดหนึ่งแล้วแต่ต้องพิจารณาจริงๆนะบอกแล้วว่าแต่อันนี้ยากนะพิจารณาแบบตรงประเด็นนี่ยากส่วนใหญ่เนี่ยจะหลบเลี่ยงจะไม่ค่อยพิจารณาตรงประเด็นหรอกเพราะพอจะพิจารณาให้ตรงประเด็นนี่นะอย่างเช่นโอ้โหตาเข้าหวานบอกแล้วตาเข้าหวานเสียงเข้าเพราะอย่างเนี้ย พอมันยกขึ้นมาพิจารณาทีลรเนี่ยมันมันจะไม่เป็นอสุภะมันจะเป็นสุภะอยู่เรื่อยคือมันจะกลายเป็นแม่ยิ่งพิจารณาเผลอๆนะเคลิ้มเลยพิจารณาไปพิจารณามาเคริ้มเลยเพราะก็เราชอบในสิ่งนั้นๆอยู่เพราะบางคนเนี่ยถึงพิจารณาอย่างไงพิจารณาเป็นอสุภะไม่ได้อันนี้คือป ร, ประเด็นปัญหาหนึ่งของคนที่อยากจะอยากจะคลาย ความกำหนัดความยินดีความพอใจในเรื่องนั้นๆเนี่ยแต่คลายไม่ออกเพราะว่าพอพิจารณาแล้วเนี่ยมันชอบไปเป็นราคะอยู่เรื่อยมันไม่มาเป็นอสุภะสถทีเพราะฉะนั้นคนนั้นก็เลยพิจารณาอันนั้นไม่ได้ก็เลยต้องต้อ ง, ต, องต้องหยุดอันนี้ก็เลยต้องไปใช้เรื่องอื่นคราวนี้เอาเรื่องอื่นเนี่ยมาพิจารณาแทนเพื่อที่จะ อ, อุปมาอุปไมยแล้วก็เปรียบเทียบ ให้จิตเราเนี่ยจางคายลงมาได้เพราะันอย่างที่ละกี้เนี่ยบางคนบอกว่าเออถ้าสมมติว่ารักว่าชอบคนนี้ใช่ไหมแต่ให้พิจารณาบุคคล น, นี้แล้วเราพิจารณาเป็นอะไรอะ่ะความน่าเกลียดความไม่สวยไม่งามพิจารณาไม่ออกเพราะนันบางทีเราก็ไปใช้อย่างอื่นละเข้ามาชดเชยเข้ามาทดแทนแม้ว่ามันจะไม่ตรงประเด็นทีเดียวแต่ช่วยได้ เพรอย่างเช่นบอกแล้วไปใช้กับอาหารการกินอาส ม, มุตินะรู้ลแลเรารู้แลอะไรอาหารแบบไหนเป็นสุภาอาหารแบบไหนเป็นราคาะพอเรารู้ใช่ไหมถ้าคุณกินตามที่คุณอร่อยตามที่คุณชอบเป็นเป็นราคะใช่ไหมเป็นราคะในอาหารหรือว่าเป็นสุภาะในอาหารเป็นความยินดีเป็นความสวยงามเป็นความชอบในอาหารนั้น ตอนนี้พอเราจะฝึกกับอาหารเนี่ยแหละฝึกให้มันเป็นอสุภะโดยที่คราวนี้เริ่มทดลองไงทดลองยังไงกับอาหารที่ที่เราชอบกินอาหารที่เราสวยงามพวกนี้เป็นยังไงฮไม่เคยฝึกกันเลยเหรอฮะอย่างเช่น เ, เราชอบกินก๋วยเตี๋ยว จะทำยังไงก๋วยเตี๋ยวชามนี้เนี่ยเขาทำมาให้เราแล้วปกติโอ้โหถ้าเจออย่างนี้ชอบมากเลยกินไม่อั้นนะตอนนี้จะทำยังไงกับก๋วยเตี๋ยวชามนี้อ่ะเสียสละให้คนอื่นอ่า น, นั้นก็ได้นะยอย่างหนึงแล้วแต่ให้คนอื่นไปเลยนี่บางทีแหมแหมแล่ะสีทาลงลหรป่าไม่รู้หเข้าไปเล ย, เยโอ้โห นะบางทีบางคนชักกระเยา อ, อยู่นั่นแหละไม่รู้จะให้ดีไม่ให้ดีก็ถูกแล้วเพราะฉะนั้นให้เข้าไปเนี่ยใช่ไหมเราสูญเสียถ้าเอามาเนี่ยมันเป็นลาคะใช่ไหมเป็นความยินดีเป็นความชอบใจให้เข้าไปเนี่ยเออมันเป็นอสุภะได้อันนั้นประเด็นหนึ่งละเอาแต่ตอนนี้เอา้าบางทีเนี่ยให้ไม่ลงอะทําไงอ่ะอ่าครั้คราวนี้ก็บอกเลยที่เราก็ฝึกกันมาบอกว่าเอ๊ะทําไมพวกเรานึกกันไม่ออกนะ ก็แทนที่จะกินแต่ก๋วยเตี๋ยวนั่นแหะใช่ไหมก็เดี๋ยวก๋วยเตี๋ยวกินเข้าไปก็ลงไปในทองใช่ไหมเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณกินอะไรอีกนอกจากก๋วยเตี๋ยวอ่าบางทีเดี๋ยวคุณก็กินโยเกิร์ตใช่ไหมแล้วคุณกินอะไรอีกเอานอกจากก๋วยเตี๋ยวแล้วะกินอะไรอ่ากินผลไม้ใช่ไหมอ่าคุณจะเอาโยเกิร์ตบ้างคุณจะเอาผลไม้บ้างมาใส่กับก๋วยเตี๋ยวด้ได้ไมแล้วก็กินทั้งทั้งที่ความเป็นจริงอ่ะมันรวมอยู่ในชามหรือมันรวมอยู่ในพุิคุณนะ ใช่ไหมมันก็รวมกันอยู่ดีอะ่ะหรือจะบางทีเนี่ยเกี่ยวอยู่ในป่ากเนี่ยมันก็โอ้โหคุกรวมกันอยู่ดีอะ่ะอันเนี้ยนี่นี่ของจริงเหมือนกันนะนี่ก็คือความจริงจะรวมในกะระเพาะหรือรวมข้างนอกมันก็รวมเหมือนกันแต่เราเองที่เราจะไม่ยอมรับใช่ไหมเพราะเราเราจะยินดีเลยจะพอใจจะกินเพลียอย่างเงี้ยจะกินแต่ก๋วยเตี๋ยวอะ่ะถ้าให้ปนใอ้นนปนไอ้นี่เข้าไปด้วยไม่อยากกินอะ่ะเพรา ะ, ะถ้าปนเข้าไปเนี่ยมันจะเริ่มเป็น อสุภะล้แต่ในขณะที่เรากินคราวนี้ถ้าปนเข้าไปใช่ไหมคุณก็จะเริ่มไม่ชอบเพรไม่ชอบในตอนนี้เริ่มเป็นอสุภะแล้วนะแต่ความสําคัญคือพอเห็นปนเข้ามางี้ใช่ละไม่ชอบแล้วอะไรตามมามันจะไม่กิ น, นสิถ้าไม่กินไม่สําเร็จเพราะล้างไม่ได้ถูกไหมถ้าไม่กินไม่สําเร็จเพราะนั้นต้องกิน เพราะว่าตอนนี้เราจะจะล้างจิตที่มันยินดีพอใจในก๋วยเตี๋ยวนี้ใช่ไหมโดนปนเข้ามานี่มันเป็นอสุภะแล้วมันไม่สวยไม่งามมันไม่ตรงตามพบไม่ตรงตามสเปคเราแล้ ว, ลวเพราะฉะนั้นตอนนี้เรากำลังจะหัดกินแล้วกินเข้าไปแล้วก็พิจารณาคุณจะตั้งตะบ่าหรือคุณจะทาอะไรไปก็แล้วแต่บอกแล้วว่าจะต้องใช้ปัญญาพิจารณาควบคู่ไปด้วยนะวิปัสสนา เพรตอนนี้ตอนที่เรากินเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่อร่อยเพราะเราไม่ชอบเพราะตอนนี้พอเรากินเข้าไปกินเข้าไปกินเข้าไปคุณก็พิจารณาแล้วไหนว่าชอบไงก็ไอ้ก๋วยเตี๋ยวชามเดิมเหมันไม่ได้เปลี่ยนชามเลยอะ่ะใช่ไหมคุณก็ปรุงมาคุณก็เคยปรุงยังไงก็ปรุงมาสิอ่เสร็จแล้วตอนนี้ก็กินเพียงแต่ว่า ม, ม, มันมีอย่างอื่นเข้ามาปนด้วยเออมันไม่อร่อยแล้วเพราะฉะนั้นที่เราติดอะ่ะ เราติดพ่อะอะไรกันแนะ่เราติดพ่อะอะไรไม่ใช่แค่เพร่ออร่อยแต่พ่อะอะไรเพราะเราจะเอาตามที่เราต้องการด้วยแต่ในความเป็นจริงนะ่ะในชีวิตคนเราเนี่ยมันเป็นไปได้ตามที่ต้องการไหมไม่เป็นหรอกมไม่เป็นไปตามต้องการชีวิตจริงๆแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือสัจจะนี่ก็คือความเป็นจริงว่ามันไม่เป็นไปดั่งใจเรา แม้ก๋วยเตี๋ยวก็ตามแม้ยิ่งเขาหนี้คนน่เะเพราะนั้นพอเราพิจารณานะบอกอันเนี่ยเราเคยกินบางทีเนี้ยเอาก๋วยเตี๋ยวเจ้านี้นะกินที่ไรก็อร่อยทุกทีกินที่ไรก็อร่อยทุกทีแต่บางครั้งมีเหมือนกันบา ก, กินแล้วก็ไม่อร่อยอะ่ะเพราะฉะนั้นเพราะอะไรเขาหนี้ไม่อร่อยไอเจ้าของอาจะทําได้เหมือนเดิมนะแต่วันนี้จริงๆแล้วอารมณ์เราไม่ดีใจเราไม่ดีเราก็เลยไม่อร่อยเพราะฉะนั้นคราวนี้ชักชัก ชัดๆขี้อีกนเลยนะว่าบางทีนี่มันไม่ได้อยู่ที่ไอ้ก๋วยเตี๋ยวชามนั้นนะมันมันอยู่ที่กิเลสใจของเราคุณอยากได้แล้วคุณได้ถึงนั้นคุณก็ว่าอร่อยถ้าคุณไม่อยากได้นะคุณก็ว่าไม่อร่อยแล้วคุณก็ไม่กินเพราะมันอยู่ที่จิตเราเพราะตอนนี้เราเริ่มรู้แล้วว่าทุกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเพราะจิตเราเนี่ยแหละที่ไปปรุงหรือว่า ไปสร้างไปกําหนดอย่างนั้นไปกําหนดอย่างนี้ไปสมมุติต่างๆให้กับมันทั้งๆที่ความเป็นจริงแล้วมันจะเป็นยังไงก็ได้เพราะฉะนั้นมันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆด้วยแต่เมื่ออย่างเนี้ยเราพิจารณาอย่างนี้เราเข้าใจได้เนี่ยมันจะลดตัวที่เราจะไปติดเราจะไปยึดสิ่งนั้นถ้ากินกว๋วยเตี๋ยวต้องกินแต่กว๋วยเตี๋ยวอย่างนี้เป็นอย่างอื่นไม่ได้กินไม่ลงหรือไม่อยากกินแต่ทีนี้พอเราเริ่มฝึกเนี่ย มันก็จะทําให้แบบว่าเออมันจะโปรเนี่ยมาบ้างหรืออาตมาก็เคยบอกพวกเราบางคนว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยบางทีก็ไม่ต้องปรุงบางทีกินมันทั้งทั้งทีเน่ยนะมันจะจืดๆบ้างมันจะไม่ต้องมีเตอรไม่นั่นเตอรไม่นี่บ้างเนี่ยแล้วเราก็ฝึกวางใจเราโดยที่แม้ไม่อร่อยแม้ไม่ถูกใจเราอ่ะจริงๆ ก, กินเข้าไปก็เพื่อยังสังขารยังร่างกายนี้ให้มันมีชีวิตอยู่ไม่อร่อยก็ไม่เป็นไรเลย ใช่ไหมพราะถ้าใครเนี่ยเข้าใจและพิจารณาอย่างนี้ได้เพิ่มขึ้นได้ชัดเจนขึ้นเพิ่มขึ้นชัดเจนขึ้นคนนั้นเนี่ยจะแก้จิตที่เป็นราคะเนี่ยได้เพราะว่าที่แก้ราคะไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามันเอาแต่ไปผูกไงชอบอะไรก็จะเอาอยู่แต่อย่างนั้นชอบอะไรก็จะเอาอยู่แต่อย่างนั้นคือไม่ยอมที่จะเห็นความจริงว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีมุมอื่นอยู่ในนั้นด้วยมันมีมุมตรงข้ามอยู่ในนั้นด้วย สวยยังไงเนี่ยก็สกรปรกได้สวยยังไงก็แก่ได้สวยยังไงก็ตายได้หรือบางทีเนี่ยสวยยังไงเนี่ยเกิดอุบัติเหตุโอ้โหพิกลพิการอะไรไปบางคนเนี่ยรักกันจีลักกันจาบางทีเกิดอุบัติเหตุไปหน่อยโอบางทีนั่นแหละเลิกรักเลยใช่ไหมเพราะว่าไอที่เขารักที่เขาติดเขาก็หลงอยู่แต่ไอสิ่งที่ตัวเองต้องการเท่านั้นเอง และไอความต้องการนี่แหละที่ทําให้คนเราเนี่ยทุกข์อยู่นั่นแหละก็ความอยากให้มันต้องเป็นอย่างงั้นต้องเป็นอย่างนี้นะเ<ม>พราะฉะนั้นอันเนี้ยเราจะล้างราคะนะพระเจ้าท่านก็สอนว่าให้ล้างด้วยอสุภะนะอันนี้เป็นตัวแรกอันนี้แค่ยกตัวอย่างส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยอาจมาก็อยากฝากพวกคุณไปพิจารณาและตะกีบอกแล้วนะอนสุภะไม่ใช่แค่เรื่องผู้ชายผู้หญิงอันนี้แค่แค่เป็นประเด็นเดียวเท่านั้นเอง ส่วนเขาที่ประเด็นอื่นอื่นอีก อ, อ, อ้าวยกตัวอย่างหน่อยก็ได้อย่างเช่นไม่ต้องไปเป็นคนนะเป็นข้าวของแล้วก็ยกแล้วนะข้าวของอย่างเช่นแม้แต่เนี่ยต้นไม้ใบหญ้าไอเทถ้าเราชอบแล้วก็เป็นลาคะหรือว่าเป็นสุภะในเรื่องนั้นได้ถ้าเราชอบแต่ถ้าเราไม่ชอบอะ่ะมันก็กลายเป็นอาสุภาษในเรื่องนั้น เพราะบางทีเนี่ยที่อยู่ที่อาศัยเราก็จะติดแหมต้องประดับตกแต่งอย่างงั้นอย่างงี้อะไรตามที่เราชอบๆอบนะบางทีใครเข้ามาแตะนิดมาแตะหน่อยหรือมาทำอะไรปิดที่ปิดทางหน่อยโอ้โหโกรธไม่ชอบใจเพราะโดนเปลี่ยนแปลงแล้วนะอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยมันคลาราคาไม่ลงหรอกแล้วคนเราเนี่ยจะไปรักจะไปชอบอะไรต่ออะไรไม่ใช่อดีก็ก็เป็น มันสะสมสะสมความเคยชินสะสมความติดความหลงเนี่ยมันสะสมมานานวันนานเดือนนานปีนะจนกระทั่งคุณเนี่ยไปติดอย่างงั้นเพราะคราวนี้พอเวลาจะถอนโอ้โหมันง่ายที่ไหนล่ะเพราะมันจะถอนยากคราวนี้เนี่ยเริ่มย้อนมาดูที่ตัวเรามาดูที่สุภากะอสุภะ ข, ของตัวเรานะไปพิจารณาดู อะไรที่เราชอบอะไรที่เราชังพอเราพิจารณาเห็นแล้วว่าเอออย่างเงี้ยเนี่ยเราชอบตรงนี้เป็นราคะเราชอบนะอะไรที่เราไม่ชอบก็เป็นโทสะเป็นสายอีกสายหนึ่งไปเัรานคราวนี้เนี่ยพอเราพิจารณาเห็นตรงนี้ปั๊บกูรู้แล้วว่าจิตตัวนี้เป็นราคะมันมีความยินดีมันมีความพอใจในบุคคลในข้าวของหรือแม้แต่ในการงาน นะในอาชีพในการงานในอะไรต่างๆเนี่ยมันติดมากๆมันหลงมากๆมันยึดมากๆพอไปลากไปติดไปหลงไปอะไรแล้วมันยึดมากๆเลยเพราะฉะนนั้ใครเนี่ยพอจะมาทําให้ไอสิ่งที่เราหอบหวงเอาไว้เนี่ยที่เรายึดถือยึดคลองเอาไว้แหมจะต้องสูญเสียไปหรือจะต้องโดนเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยแต่คราวนี้จิตมันจะทุกมันจะทุก มันจะกลัวความสูญเสียกลัวเดี๋ยวไม่ได้มาอีกเดี๋ยวไม่มีเดี๋ยวไม่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นพอเราเมองเห็นตัวเราเองแล้วว่าโอ้นี่เราไปมีราคาไอ้นนท์ไปมีราคาไอ้นี้เรารู้อยู่แล้วนี่และไอ้สิ่งต่างๆ่างเราเนี้ยมันผสมปนเปเข้ามาอยู่ในจิตเรานะแม้แต่บางทีเนี่ยคุณจะชอบผู้ชายหรือคุณจะชอบผู้หญิงสักคนหนึ่งนี่ไม่ใช่อยู่ดีดีคุณก็ไปชอบ ไม่ใช่หรอกมันสะสมสะสมมาจากหลายเรื่องหลายราวเข้ามาจนกระทั่งมันมารวมลงเป็นราคะอยู่ในจิตเราจนกระทั่งมันจนกระทั่งมันส่งผลออกมาว่าเออชอบเพราะอย่างนั้นชอบคนนี้เพราะอย่างงี้ตอนนี้พอเราจับมาถึงรากเงาตรงนี้ได้เราก็จะต้องมาล้างแหละโดยมันเป็นอุปท า, านแล้วโดยที่มาล้างอุปท า, านพูกนี้เอ่อ สัญญาเนี่ยแปลว่าการกําหนดการจดจำเอาไว้สัญญานี่ยังไม่ได้เป็นกิเลสนะสัญญานี่ยังไม่ใช่กิเลสนะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นอุปทานนี่เป็นกิเลสคือสัญญาที่เป็นกิเลสพูดง่ายเพราะฉะนั้นสัญญาที่เป็นกิเลสนั่นแหละเรียกว่าอุปทานเพราะฉะนั้นคราวนี้อุปทานของเก่าที่เราสะสมมาเอาไว้ถ้ามันมีอยู่ คุณสะสมมาแล้วว่าคุณชอบกินอย่างนี้คุณชอบเสื้อผ้าแบบนี้คุณชอบผู้ชายหรือชอบผู้หญิงแบบนี้คุณสะสมมาเพราะพอคุณไปเจอตามที่คุณสะสมมาเนี่ยถึงบอกว่าเจอไอ้ที่คำว่าตรงสเปคเนี่ยคือเจอตรงกับที่คุณสะสมมามากที่สุดเท่าไรหร่นั่นแหละนั่นน่ะมีผลแรงที่สุดกับคุณบางครั้งเนี่ยเราไปเจอก็จริงแต่มันยังไม่ตรงกับที่เราสะสมมาสักเท่าไหร่อันนั้นก็จะมีลิดออน ใช่ไหมคุณยังสามารถจะสู้ได้ง่ายหน่อยคุณสามารถจะล้างได้ง่ายหน่อยแต่ถ้าคุณไปเจอใครที่โอ้โหตรงกับที่คุณอุปทานที่คุณสะสมมานี่น้ํามากเหลือเกินพูดง่ายว่าถ้าคัดเป็นคะแนนแล้วโอ้โหคะแนนแ ม, นมนะ้เก้าสิบงี้อน้าเก้าสิบกว่าเกือบเต็มร้อยแล้วนะโอ้โหคนนั้นเนี่ยเป็นศักยะองังกุลเลยเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นตัวกิเลสใหญ่ของคุณเลยล่ะคพรนข่าวเนี่ยคุณดิ้นหลุดยาก เรียกว่าคุณต้องสู้กันหัวชนฝาเลยล่ะสู้กันชนิดที่เรียกว่าอะไรอ่ะยอมตายถึงจะมีสิทธิ์ชนะถ้าคุณไม่ไม่เข้มแข็งพอมักจะแพ้เพราะไอ้ที่เราสะสมมามาเนี่ยมันยาวนานแล้วนะมันมันจะให้คุณเนี่ยคุ้นเคยหรือให้คุณเนี่ยคเคยชินเพราะฉั้นพอเราจะเปลี่ยนแปลงไอ้ความคุ้นเคยเปลี่ยนแปลงความเคยชินเนี่ยโดยคิดเป็นอสุภะให้ได้ โอ้โหมันฝืนมันต้องสู้กันแบบหนักหน่วงต้องสู้กันแบบจริงจังแล้วก็ส่วนใหญ่อาตมาบอ ก, กเลยส่วนใหญ่โอ้โหกว่าจะชนะได้คือขึ้นคอเลยคุณอา้าวอย่างใครไปติดจริงๆริงสิคุณไปพิจารณาก็ได้เรื่องอะไรที่คุณติดมากๆคุณจะรู้เลยว่าอืหสู้ยากยากมากๆอย่างบางคนอ้าวพูดง่ายติดขนมสักอย่างอย่างเนี้ยติดมากๆติดมากๆนะขนาดโอ้โหตั้งตะบะก็แล้ว วันนี้ก็พยายามบอกเพื่อนฝูงด้วยนะไปด้วยกันบอกช่วยนะช่วยนะถ้าเกิดมือมันจะเลื้อยไปนี่นะมันจะไปหยิบนี่นะช่วยเตือนเลยนะช่วยบอกเลยนะแล้วก็ช่วยห้ามนะอย่าให้มือมันเลื้อยไปอา้าวขนาดนะักคุณเตือนคุณบอกคุณอะไรยี่ไว้เรียบร้อยนะโอ้โหพอถึงเวลาจริงจริงไปเห็นเข้าเนี่ยขนาดคุณตั้งตาบะเอาไว้นะสติก็มีอยู่นะรู้อยู่นะแต่โอ้โหคุณจะเห็นเลยว่ามันสู้อย่างอะไรอะ่ะ ทรมานใจเหลือเกินเพราะว่าแมมันอยากจะทำอย่างนั้นให้ได้อยากจะกินไอ้อย่างที่เราชอบนั้นให้ได้เลยเพลอไม่ได้นะบางทีเพลอไม่ได้เอา้ามาอยู่ในชามตจเมื่อไหร่ไม่รู้ตัวเลยนะมันมาได้ยังไงเออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบอกพวกเราเลยณนะขณะต่อให้คุณตั้งจิตตั้งใจจะสู้กับบันจริงยังจๆๆังนี่ยังไม่ง่ายเลยไอ้ตัวสักกายนี่มันยากมาก ก้นถึงบอกว่าใครเนี่ยไม่อดทนไม่ขยันไม่พยายามทําบ่อยๆเพราะว่าถ้าคุณเนี่ยไม่แก้ที่ใส่บ่อยๆไม่พยายามทําบ่อยๆเนี่ยคุณจะล้างความเคยชินที่สะสมมาเป็นสิบปียี่สิบปีหรือไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติอะ้ะที่สะสมมามันไม่ใช่แค่ชาตินี้นะมันสะสมมากี่ชาติต่อกี่ชาตินะั้นคุณจะล้างได้ง่ายๆได้ไง เพราะนั้นถึงบอกว่าโอ้โหบางคนเนี่ยต้องตั้งจิตต้องอธิษฐานอธิษฐานเลยนะโอ้ต้องอธิษฐานม า, นนะอออานไออย่างเนี้ยต้องเอาชนะมาให้ได้บางคนเนี่ยกูเดินมาแค่เขาติดเหล้าหรือติดปุ๋ยไอ้ที่ห ย, ยาบหยาบเนี่ยเอาไปยมุกหยาบหยาไอเราเองเราไม่ติดใช่ไหมเราก็ ไ, ไม่มเห็นใจไปยากอะไรเลยมันง่ายเราลึกมันง่ายจริงๆเราเลิกมาได้นานแล้วเราก็เลยว่ามันง่าย แต่คนที่เขากําลังติดอยู่เนี่ยเขาก็ติดมากเวลาเขาจะเลิกเนี่ยโอ้โหคุณคุณไปดูสิโอโ้เวลาเขาลงแดงก็มือสั่นเขาอะไรต่ออะไรนะเดินพล่านเลยนะไม่ได้สูบหรือว่าไม่ได้กินนี่ก็พล่านเลยอะ่ะแต่จริงๆแล้วมันน่าจะเห็นทุกข์ของมันนะว่าเนี่ยดูสิโอ้โหพอไม่ได้มันเข้ามานี่มัน ม, ม, ม, ม, มันทรมานทรกรรมยังไงมันน่าจะเห็นไอ เชื้อของสารเคมีเชื้อของอะไรต่างๆที่มันเข้ามาสิงในกายบ้างสิงในจิตเราบ้างจนทําให้พอนึกอยากจะเลิกนี่มันอ ม, มันยากเย็นแสนเข็นเหลือเกินเพราะนั้นพออย่างเนี้ยแล้วเราถึงจะเห็นชัดว่าเออของใครก็ของคนนั้นเพราะนั้นใครติดอะไรมันก็ยากสําหรับคนนั้นพูดง่ายๆว่าคุณจะฆ่ามันเนี่ยจะมาเคยพูดให้พวกเราฟังไปครั้งหนึ่งคุณจะฆ่ามันเนี่ยนะคุณต้อง เหมือนกับนิทานของฝรั่งเขาอะที่ที่แจ็คแจ็คฆ่ายักษ์อะจริงๆแล้วโอ้โหไอ้ตัวกิเลสเราที่ตัวร้ายแรงเนี่ยมันเหมือนกับยักษ์ไอเราเนี่ยเหมือนกับแจ็คกับแจ็ค ก, ก็คือคือเป็นเด็กเป็นคนตัวเล็กๆนี่เองโอ้โหจะฆ่ายักษ์ได้เนี่ยคุณต้องภาคเพียนคุณต้องพยายามคุณต้องอดทนต้องต่อสู้นะสู้แล้วสู้อีกสู้แล้วสู้อีก แม้อะไรผู้เจ้าใช้แม่น้ําตาจะนองหน้าก็ตามแม้น้ําตาเนี่ยจะไหลาอาบแก้มเลยแสดงว่าโอ้โหฟื้นจิตฟื้นใจอย่างมากเลยอย่างหนักเลยแต่เรารู้ว่าจะเป็นสิ่งดีจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะล้วก็จะทําให้เราเนี่ยพัฒนาขึ้นจเจริญขึ้นจิตใจของเราเนี่ยจะเป็นอิสระจะพ้นจากความเป็นทาตของสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นพอเราเข้าใจอันนี้ได้เนี่ยมันยอม พเราเห็นสิ่งที่ดีกว่าเนี่ยนะรอคอยเราอยู่ถ้าเราทำสำเร็จเพราะมันก็จะพยายามก้มหน้าก้มตายยังไงก็สู้แล้วในที่สุดอะกิเลตัวไหนก็ตามใหญ่เท่าฟ้าเลยเออไม่ต้องใหญ่เท่ายักษ์อะกิเลตัวไหนก็ได้ใหญ่เท่าฟ้าเลยแต่ในที่สุดแล้วชนะได้ทุกตัวถ้าคุณสู้ชนะได้ทุกตัวเพียงแต่ว่าชนะเมื่อไหร่เท่านั้น ชาตินี้หรือชาติไหนเท่านั้นแหละแต่ชนะได้แน่นอนทุกตัวเพราะวา่าถ้าชนะไม่ได้เนี่ยจะไม่มีคำพูดว่าทุกคนสามารถเป็นพระอาหันต์ได้เพราะจริงๆทุกคนเป็นพระอาหารหันต์ได้ทุกคนสามารถชนะได้ทุกคนแต่คนที่ยังไม่ชนะเนี่ยเพราะสู้ๆไปหน่อยขอี้เกียจสู้สู้ๆไปหน่อยเอาจริงเอาจริงเอาจริง แต่สู้ไปหน่อยแล้วมันยากไงมันลาบากไงมันต้องฝืนใจเนี่ยเพราะขี้เกียจสู้แล้วแพ้ยอมยอมแพ้ขี้เกียจ อ, อ, อ่ะอามาเคยพูดให้ฟังว่ากลัวความลำบากแล้วก็ติดสบายนะสองอันนี้ที่ทำให้เลิกสู้ได้อย่างรวดเร็วกลัวลำบากเราบอกแล้วว่าอันนี้ต้องลำบากมากมากคุณสู้กับยกกักอ่ะ คุณว่ามันไม่ลําบากได้ยังไงอ่ะมันต้องลําบากแน่นอนเพรา ะ, ะนั้นคุณตั้งจิตไว้เลยว่าคุณกำลังสู้กับยักษ์เพราะลำบากมากๆเสร็จล้าอะไรพอลําบากเข้าจิตมันจะคิดไปถึงความสบายโอ้กูจะมาสู้อยู่ทําไมวะได้กินได้เสพได้ใช้นั่นก็สบายมีความสุขอะ่ะมันเริ่มนึกละมันเริ่มนึกถึงไอ้ความสุขสบายที่เคยมีเคยเสพเคยกินเคยใช้ แม่พอมันนึกอย่างนี้เข้าคราวนี้เอาละสิจะหวนกลับไปละจะหวนกลับไปละเพราะฉนั้นมันเลิกมันเลิกทําแน่นอนเราเลิกคําว่าเลิกทํากันไปถึงก็กลับไปทําอย่างเก่าข้อ น, นสองคำนี้จําให้ดีพูดบ่อยมากเลยว่าเพราะกลัวลําบากกับติดสบายกลัวลําบากในสิ่งที่เราจะทําต่อไปนี้นี่คือกลัวลําบากในสิ่งนี้ติดสบายคือนึกไปถึงราคะ เนี่ยความยินดีความพอใจที่มันผ่านผ่านมาแล้วอะที่เราเคยได้รับความสบายในกิเลสเรื่องนั้นๆนะกับกลัวลำบากที่เราจะต้องทำในปัจจุบันนี้กับทำต่อๆไปเรากลัวลำบากในอนาคตอันนี้ในปัจจุบันอันนี้เพราะนั้นถ้าส อ, สองอันนี้นะทงานขึ้นมาทำงานขึ้นมาแล้วนะเดินเครื่องติดแล้วก็คุณเริ่มฟอลลงไปเรื่อยแล้ว ใจที่คุณจะสู้เนี่ยจะเริ่มหดลงหดลงบอกแล้วในที่สุดก็ขี้เกียจสู้หมดเรี่ยวหมดแรงที่จะสู้เพราะพอกลับไปทําตามใจของกิเลสไม่ใช่ตามใจคุณนะตามใจกิเลสของคุณถ้าคุณกลับไปทําทําตามใจกิเลสปั๊บทันทีเลยคุณก็จะสบายเหมือนเดิมนึกจะนอนก็นอนนึกจะกินก็กินเนะื้ ดึกจะอะไรอะ่ะทำอะไรตามใจชอบของเราอะ่ะที่ที่กิเลสมันสั่งเนี่ยเราก็ทำตามนั้นแล้วเราก็รู้สึกสบายแต่สบายแบบนี้เดี๋ยวก็ทุกข์อีกเดี๋ยวก็ทุกข์อีกทุกข์จะไม่มีวันสิ้นสุดทุกข์จะไม่มีวันจบต่างจากถ้าสมมุติว่าเราลดละได้นะแลาวจิตใจเราเนี่ยเริ่มพ้นพ้นจากความเป็นทาตของกิเลสในกิเลสตัวไหนก็ตามในเรื่องนี้เราพูดถึงราคะ ในนี้เราใช้คำว่าราคาเนี่ยความกำหนัดความยินดีความพอใจถ้าคุณลดจิตที่คุณไปยึดไปติดไปลหลงไหลในสิ่งไหนได้คุณคิดดูสิเพราะนั้นคุณจะวางใจในสิ่งนั้นได้ง่ายขึ้นใช่ไหมคุณจะปล่อยในสิ่งนั้นได้ง่ายขึ้นคุณจะไม่ต้องไปหอบไปหวงไม่ต้องไปหึงไปหวงเพราะฉะนั้นนะ่ะคุณคิดดูสิข้าวของเงินทองวัตถุบุคคลอะไรก็แล้วแต่อาชีพ การงานถ้าคุณเนี่ยแหมไม่ต้องไปติดยึดไปหลงไหลอะไรกันนักหน้าบางทีเอ่ยโดนเขาโกงบ้างโดนเขาแกล้งบ้างหรือบางทีเราทําเองอะ่ะมันเสียหายไปบ้างคุณจะไม่มาทุกข์อะไรมากมายหรอกเพราะคุณรู้ว่าเออมันจะไปยึดมันจะไปครองมันจะไปอย่างนั้นอย่างนี้ให้สมใจเราเนี่ยโดยตลอดมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะั้นคนนี้เมื่อฝึกฝึกอสุภะอสุภะนี่มันจะแบา เป็นมุมทวงกับสุภาพหรือว่าจะมาเป็นมุมทวงกับราคะเพราะฉะนั้นน่ะคนนี้เริ่มคิดอะไรที่เห็นสัจจะเห็นความเป็นจริงทั้งสองด้านเพราะฉะนั้นชีวิตคุณเนี่ยคุณเจอสิ่งที่ดีก็ตามคุณเจอสิ่งไม่ดีก็ตามคุณเริ่มจะวางใจได้ได้ง่ายขึ้นแต่ไม่ใช่เราขี้เกียจ น, นะเราก็คงขยันอะไรที่ดีๆเราก็ยั ง, ยงจะทําแต่ในขณะที่คุณกำลังทําดีไปเนี่ย คุณจะต้องเจอไงคุณจะต้องเจอความลาบากบ้างเจอโดนแกล้งบ้างเจอโดนด่าบ้างเจอโดนว่าบ้างเจออะไรที่ไม่ชอบใจไม่ถูกใจเราบ้างถูกใจก็มีไม่ถูกใจก็มีแต่ในขณะที่คุณเจอเนี่ยเราทำใจได้เพราะเราเรารู้ทั้งสองมุมแนละ้วไอ้มุมที่ไปติดไปหลงก็ทำให้ทุกข์จริงจริงแล้วไอ้มุมที่เกลียดชังก็ทาให้ทุกข์แต่ที่เรากาลัง ปฏิบัติอยู่ตอนตอนนี้ที่เรามาล้างความยินดีพอใจด้วยความมองเห็นถึงความไม่ยินดีไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจมันเลยทำให้เราเนี่ยเห็นทั้งสองมุมแล้วเรารู้ว่าเราจะพ้นทุกข์ได้เนี่ยนะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปมีทั้งสองอย่างนี้แล้วเราเองเราก็จะวางใจได้ซึ่งอันนี้แหละจะเป็นประเด็นสาคัญจะเป็นตัวสาคัญอันนี้เนี่ยเป็นแค่ ประเด็นแรกเท่านั้นซึ่งจริงๆเนี่ยเราได้ได้ยินมาบ่อยแล้วนะอสุภะเนี่ยจเจริญอสุภะเพื่อละราคะเดี๋ยวยังจะมีข้อต่อต่อไปอีกอีกสามอันนะอ่าววันนี้คงพอเท่านี้นะ